นโมถนาขอบคุณขอบใจท่านพระเถราณุเทร า, ท, ราทุกรูปซึ่งได้มีน้ําใจมาให้ธรรมทานแก่ญาตกโยนในวันนี้ทั้งในฐานะวิทยากรในภาคบายและในการสัมนากันมาตั้งแต่เช้า ก็ขออนุโมทนาขอบใจขอบคุณทุกรูปขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกท่านทั้งในประเทศของเราและที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อยก็สามประเทศมีเกาหลีใต้เึิ่เดิอนออกไป มีเมียนมาและก็ฮ่องกงก็จะขอขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษทนิดหนึ่ง On my behalf I would like to express my sincere thanks to my colleagues from at least three countries Myanmar South Korea and Hong Kong for coming to give encouragement to our work for the benefit of humankind pertinent to the topic of this afternoon discussion that is on propagation and volunteerism since the since the majority in this Auditorium in this hall are Thai people. I will speak in Thai. Anyway, thank you very much. หัวข้อในการประชุมสัมมนาเรื่องของการเผยแผ่ศาสนากับจิตอาสาในสังคมไทยการเลือกหัวข้อนี้ขึ้นมา เพราะเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแห่งการสร้างคุณธรรมของชาติในสมัยรัชากาลที่9เราจะได้ยินเรื่องคุณธรรมสำคัญคือผอเพียงในรัชากาลปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่า จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในฐานะเป็นกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้มีส่วนในการเลือกหัวข้อคุณธรรมที่เชื่อมทั้งสองระยะเข้าด้วยกัน แล้วกำหนดเป็นแผนส่งเสริมคุณธนนรรมแห่งชาติฉบับแรกของประเทศเนนโดยมติคณะรัฐมนตรีประกาศเป็นแผนส่งเสริมทั่วประเทศ5ปีด้วยกันให้พระสม์และทุกกระทรวงระบวงทะบวงกลอมในประเทศนี้ ช่วยกันปลูกฝังคุณธรรมแห่งชาติสี่ประการไปที่ไหนเราจะเห็นกระทรวงทระองมกรมเนี่ยเขาจะมีอนุ ก, กรรมการส่งเสริมเรื่องนี้สี่คำก็คือพอเพียงวิในสุจริตจิตอาสาพอเพียง ลำรึกนึกถึงคุณธรรมสำคัญแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศเรื่องอะไรอย่างไรให้สร้างลกาักษณะนิสัยให้คนไทยในยุค ป, ประเทศไทย 4.0 พัฒนาโดยรู้จักคำว่าใส่เบรกให้ตัวเองไม่ทอดทิ้งธรรมะ โดยรู้จักคำว่าพอทำอย่างไรให้คนไทยซึ่งมีลักษณะนิสัยทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้รู้จักเคารพกฎระเบียบวินยัย แ, แม้กระทั่งกฎจราจรในชื่อจังวัดมีวินยัย วินัยไม่ใช่ศีลแต่ศีลเป็นวินัยโยมีศีลห้าแต่ไม่เรียกว่ายโยมีวินัยพระมีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดเราเรียกว่าวินัยท่านเคยคิดบ้างไหมวินัยคือกฎสำหรับฝึกหักคน ให้เป็นคนดีพร้อมๆกันเหมือนกันไม่ใช่ต่างคนต่างดีศีลห้าไม่ได้เป็นวินัยเพราะเราอนุญาตให้สมาทานด้วยคำว่าวิสุงวิสุงรักขนันถายะจะรักษาครบห้าข้อก็ได้แยกรักษาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก็ได้ จึงต่างกันมีศีลห้ายังไม่เท่ากันแม้จะอยู่บ้านเดียวกันแต่อยู่ในวัดบวชเป็นพระ227ข้อต้องเท่ากันถ้าไม่เท่ากันขาดศีลสามัญญาตาศีลไม่เสมอกันแตกเป็นนิกายทันที สีรลสามัญญาตาทําให้แตกเป็นเทรวาคมหาใบวกทิศสามัญญาตาความเห็นไม่ตรงกันถ้าประเทศนี้ขาดวินยัยสำหรับพักเมื่อมีสีเท่ากันจึงเป็นวินัยเพราะทําให้เหมือนกันปลงผมวันเดียวกันเป็นต้น เราประยุกต์เรื่องนี้มาใช้กับกฎระเบียบในชีวิตถ้าในสังคมในครอบครัวแต่งงานมีครอบครัวศีลที่จะต้องเสมอกันที่จะต้องเสมอกันทําให้ไม่แต่อย่างน้อยสี่ข้อที่สามการเมสุมิสาะมิสาาระจ่า เราอยู่ในประเทศนี้กฎจราจรเท่ากันหมดมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุเรียกว่าวินาันเป็นตน้นทหารมีวิในของทหารเดินสวนสนามตรงเลี้ยวเหมือนกันวิในารชาชการมีวิในาชาวพุทธก็ต้องมีวิในคนไทยก็ต้องมีวิใน ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเหมือนด้วยสุจริตประเทศไทยแต่ก่อนไม่มีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมากเหมือนสมัยนี้เพราะมันจนแต่เมื่อประเทศมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นจนธนาคารโลกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มามีรายได้ปานกลางระดับสูง รายได้ไปลายต่างระดับสูง Higher Middle Income Countries ตั้งแต่พศออ2554เป็นต้นมาเราร่ำรวยในระดับเดียวกันที่ธนาคารโลกจัดระดับในอาเซียนเนี่ยมีแค่สองประเทศมาเลเซียกับไทยนอกกนั้นต่ำกว่าเรา พร่ำรวยมากขึ้นมีเงินมากขึ้นการแสวงหาผลตอบแทนโดยไม่ชอบทาทั้งในและนอกวงราชการมันคามากขึ้นลามมาถึงในวัดเงิน่อนถ้าวัดจนนะสำนักคุทจนกินแต่ก้างนะท่าน <c oughs> พอร่ำรวยขึ้นมา <c oughs> เขาก็มีมาตราการที่จะให้ สุดจริตมากขึ้นประเทศที่รณ ล, ลงในเรื่องอย่างนี้เพราะอะไร mm. เพราะเขาหวังจะไปให้มันสูงกว่าปัจจุบัน mm. คือ 4.0 ถ้าเราจะอยู่อย่างนี้ 3.0 ไม่จำเป็นคำว่า 4.0 คือยกระดับประเทศไทยในอีกประมาณ20ปีข้างหน้า ให้ไปอยู่ระดับเกรด A ของโลกในอาเซียนมีประเทศเดียวสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีรายได้สูง high income countries สหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่มนี้ประเทศไทยก็ต้องการที่จะยกระดับไปสู่กลุ่มนี้จีนอยู่ในกลุ่มเดียวกับเราปาก คอรัปชันมโหฬารก็เพื่อยกระดับประเทศเขาให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้พอเพียงวิ น, นัยสุดจริตจิตอาสาจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนะี่ยเพราะว่าเมื่อประเทศไทยมีมากขึ้น คนมีอันจะกินแต่มันรวยกระจุกจนกระจายทำอย่างไรให้คนที่รวยกระจุกรู้จักแบ่งปันรู้จักมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมมากขึ้น ในประเทศที่อยู่ในระดับต้นๆของโลกคนที่ร่ำรวยจะมีจิตอาสามีจิตอาสาในการแบ่งปันทุกปีเขาจะจัดอันดับประเทศที่คนมีจิตเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ในโลก ร้อยประเทศเนี่ยประเทศไหนคนมีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ม, มากที่ส mm hmm. อันเขาเรียกว่า charity index ดัชนีชีวัตความเสียสละปรากฏว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้อันดับสองของโลกมาหลายปี คนรวยมากเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกเศรษฐีเยอะมากแต่เศรษฐีเหล่านี้มีวัฒนธรรมของเขาเมื่อล่ำรวยเพราะตัวเองหาเงินหาทองมาแปลกมากๆวัฒนธรรมอเมริกาเขาไม่เก็บให้ลูกหลาน ลูกมันไปหาเงินเองทำงานเองหมดเราดูวัฒ น, ธ, นธรรมประเทศนี้พ่อแม่ไม่ห่วงที่จะเก็บมรดกไว้ให้ลูกหลานมันเป็นทั้งประเทศพอเข้ามหาวิทยาลัย <c oughs> เด็กจะไปอยู่หอพักโดนมาทับทั้งประเทศเป็นนกบินจา ก, กรางัง แล้วพอเรียนจบมันไม่กลับบ้านที่เราบอกว่ามันไม่กระทันอยู่จริงมันเป็นระบบประเทศทุกคนต้องไปอยู่หอพักอย่างน้อยหนึ่งปีเอาออกจากพ่อมแม่เลยให้มันแต่งแล้วมันไปสู้ชีวิตพ่อแม่จะโรยล้นฟ้ามันไม่สนพ่อแม่หาเงินหาทองมาสุดท้ายไปทำอะไรรู้ตั้งโมรีที่หมด คนที่รวยอันดับหนึ่งของโลกสิบปีมาบิลเกตอายุห้าสิบห้าปีรีทายตั้งมูลิธิทุกวันนี้ก่อนหน้านี้ร็อกเกตเฟลเลอร์รวยมหาศาลตั้งมูลิธิหมดเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกเพราะมหาวิลลยนั้น เต็ไมไปด้วยทุนการศึกษาที่มูลนิที่เหล่านี้ยกให้จากวิจัยเรื่องอะไรยังไงนี่ให้หมดสิท์เก่าเรียนจบไปจากทาวเวิร์ดจากมหาวิทยหลัยพอรวยกันมาแล้วเอากลับให้มหาวิทยาลัยตัวเองมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดมีเงินเป็นสี่0มื0นห้าหมืนล้านเหรียญสหรัฐเพราะสิท์เก่า ประเทศนี้เขาเป็นอย่างนี้จึงได้อันดับสองของโลกและคนที่รวยที่สุดของจีนประกานเมื่อสามวันที่แล้วเรียนแบบบิลเกสเขาคือแจ็คหมาตั้งมูลนิธิเลที่ตั้งอาลีมาบาท์ถ้าไม่เป็นอย่างนั้น โลกมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่รอไม่ได้พระพุทธศาสนาต้องเผยแผ่ธรรมะในจิตใจให้แม้แต่ประเทศที่ยากจนก็นต้องรู้จักเกื้อแผ่รู้จักมีจิตอาสารู้จักให้ในร้อยกว่าประเทศในประเทศไทยอยู่อันดับแต่ก่อนที่เศรษฐกิจเราตกนะั้นเราอยู่อันดับแค่ประมาณยี่สิบกว่า พอเศรษฐกิจแล้วตกต้มยำกุ้นี้ถอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ประเทศที่คงเส้นคงวาเป็นประเทศพุทธศาสนาอยู่อันดับหนึ่งของโลกมาตลอดในการเสียสลไัไปถามที่ไหนเจอแต่คนทําบุญประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐียากดีมีจด c h อ r i t y i n d e เด็ของประเทศนี้อยู่อันดับหนึ่งของโลกมาต่อเนื่องเขาไม่ได้รวยกว่าเราแต่เขาอยู่ในอาเซียนคือพม่าคนเมียนมานั้นติดอันดับหนึ่งของผู้ใจบุญไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรื อ, อยาจบใครไปพม่านะท่านนะไปไหว้พระเราจะเห็นกล่องพลาสติก ใส่ๆเนี่ยเงินเนี่ยนะครับใส่ไม่เข้าไม่รู้กี่ถังวัดก็ไม่รู้จักไปใช้ทำอะไรนะถ้าเป็นเมืองไทยตกเป็ดไปหมดฮะ <c oughs> มหามูนีหลวงพ่อมหามูนีเนี่ยไปทองกันจนบูมตื่นตีสีต้องไปล้างหน้า <c oughs> ทองไม่รู้กี่ชั้นนะ ปิดมา20 30, 30ปีเนี่ยไม่มีใครสนใจทองหนึ่ง mm hmm. เป็นเมืองไทยนะช่วยสังเคราะห์เอาไปเรียกเลยข <c oughs> ม่าอย่นี้ไม่พูดหรอขายหน้าประเทศไทยเราสามารถเผยแผ่ศาสนาให้คนมีจิตอาสามีเสียสละได้โดยตรง ลักษณะเด่นของพุทาสนาในพม่าคือเรื่องอะไระครับกรรมฐานกรรมฐานทำให้คนมีความสุขซึ่งมันตรงกับเป้าหมายของจิตอาสารเราฟังวิทยกรบนเวทีเนี่ยเขาทำ ความดีเป็นจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินเป็นชื่อเสียงหรือรางวัลแต่สิ่งที่เขาได้คือความสุขฝ่ายคารวะเนี่ยเขาพูดชัดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีเงินมีทองมากๆเนี่ยถามว่าคุณได้ความสุขจัดทานอาหารแพงๆตลอดไปหรือ มีบ้านใหญ่ๆเหรอไม่ใช่เมื่อรวยถึงจุดหนึ่งตัวเลขมันจะบอกคนถ้ายังไม่ถึงจุดนี้มันจะไม่พอเพียงมันจะยังอยากได้แต่เมื่อคุณอยากจะได้บ้านคุณมีบ้านหลังแรกสุขมากหลังที่สองงั้นงรถคันแรก ตื่นเต้นคันที่สองคันที่สามนจะไปจอดที่ไหนอาหารอร่อยมื้อแหลกๆ แ, แพงๆ แ, แต่กินทุกมื้อไมนะเขาเรียกว่าภาษาภรัาเขาเรียกว่า law of diminishing return วัตถุทั้งหลายเนี่ยเมื่อบริโภคมาก แทนที่จะให้สุขมากมันกับสุขลดลงต่างความมากวันไหนไม่มีจะกรีนี่หิวนะมันอร่อยนัมีความสุขนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นของมีมากใช่จะสุขมากมันลดลงคนไม่มีก็อยากจะมีตอนนี้เราตั้งสมมติฐานว่า <c oughs> เมื่อประเทศไทยมั่งคั่งขึ้นคนมีจะต้องเห็นผลอันนี้ขึ้น แล้วเริ่มแบ่งปันเริ่มทำจิตอ า, าสาจึงมีการนรลมคุณธรรมข้อจิตอ า, าสาขึ้นมาและเป็นมูฟเมนต์ระดับโลกองค์การสหประชาชาติมีหน่วยงานที่เรียกกันว่าโครงการจิตอาสาเพราะเห็นว่าเรื่องจิตอาสาเนี่ยพัฒนาโลกและสังคมมันเป็นโซเชียลแคปิตอล เป็นทุนทางสังคมมีวิทยากรพูดถึงว่าผู้พูดเนี่ยสร้างมหาจุฬารวมพ่อปัญญามาช่วยสร้างใช้เงินในการสร้างยี่สิบปีเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่พันล้านบาทเงินเหล่านี้ไม่ได้มาจากรัฐบาลทั้งหมดเขาให้ที่หลัง ตอนแรกเราต้องช่วยตัวเองเพราะมันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจของสบู่ต้มหยั่งกุ้งช่วยตัวเองหมดเราสร้างขึ้นมาเพราะความเสียสละของอุบาสิกาเลยของพระสงฆ์ท่านเหล่านี้เมื่อมีโมนิที่มีอะไรต่างมาช่วยสร้างมหาจุฬาหลวงพ่อปัญญามาช่วยสร้างสมเด็จรถบังน้ำมาช่วยสร้าง หรือพ่อวัตสุทัศน์มันช่วยแล้วถามว่าเงินเหล่านี้มันจะไหนมาจากญาติโยม ก, ก็หมายความว่ามหาจุฬาในช่วงต้นไม่ได้ใช้งบประมาณจากลัฐบากแต่เป็นงบที่อยู่ในกระเป๋าของญาติโยมเราเรียกว่าโซเชียลแคปิตอลทุนทางสังคมสมเด็จพระพุทธาจารย์อาสภั เวลาที่เราเป็นนิสิตไปขอพวกมารมาทาโครงการจิตอาสาพัฒนาชนบทอะไรก็ตามบัิตจิตอาสาหลวงพ่อทานไม่มีตังค์ท่านไม่ให้ท่านบอกพวกคุณ เ, เงินมันมีแต่พวกคุณใช้เงินไม่เป็นเราเป็นนิสิตก็เถียงในใจมีตรงไหนก็จะใช้ให้เรียบเลยเหรว่าใช้ไม่เป็นท่านก็บอกมันอยู่ในกระเป๋าโยง แน่จริงเอามาใช้ให้ได้เพราะว่าเป็นอธิการบริโอจริงเนาะเงินมันเยอะเลยเอามาสร้างมหาเจหารอย่างที่เห็นเอามาสร้างตึกจนไม่มีที่จะสร้างแล้วเนี่ยยกเว้นแต่ตุติไหนจะให้ทุบทิ้งก็หมายความว่ายังไง สาชาชาติมองอย่างนี้เวลาไฟไหม้น้ำท่วมกว่ารัฐบาลจะไปช่วยเนี่ยไม่ทันจิตอาสาไปช่วยหมดเด็กติดถ้ำสิบสามคนเนี่ยลำพังผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยประเทศเดียวนักดำน้ำเนี่ยเขาออกไม่ได้ต้องไปขอนักจิตอาสานักดำน้ำทั่วโลกร้อยค น, น, นเงินก็ซื้อเขาไม่ได้ พาเด็กออกมาจิตอาสาระดับโลกนี่คือโซเชียลแคปิตอลทุนทางสังคมอยากจะพัฒนาอะไรหมู่บ้านที่ไหนยังไงก็ตา่างรบดมทุนผู้มีจิตสทธาเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จหมดถนนขึ้นดอยสุเทพไม่ใช้งบประมาณรัฐบาลสักบาทเดียว ครูบาเศิวิชัยและดงชาวบ้านจอบมีดอะไราถามป่าสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพจะลาดบุรณะไปพระประแดงรัฐบาลจอมพลปอจะสร้างถนนจากวงเวียนใหญ่ไปถึงลาดบุรณะจะต่อไปนครเขินขันพระประแดงไม่มีสะดัง มันหลัง่งสงครามโลก เ, ออ เ, เวงนคืนก็ ม, มีตันจ่ายเจึงมาขอคณะสังข้ามูีให้หาทางช่วยหน่อยคณะสังขมนตรีก็เรียกจเจ้าว่าวัดภัยชยน์พลเสศมาพบบอกว่าเนี่ยอยากให้ขอที่จากชาวบ้าน สลักกันเพื่อสร้างถนนโดยไม่ต้องเวรค้นท่านเจ้าวาดวัดไผ่ช ย, ยนต์ก็ไปบอกญาติโยมบริจาคที่ดินตัดถนนจากราชบุรณะเป็นพระประแดงโดยไม่ต้องเสียค่าเวรคืนรัฐบาลประทับใจตั้งชื่อถนนนี้ว่าถนนพระราศวิริยพร์ นี่คือทุนทางสังคมเราอยากจะพัฒนาอะไรตรงไหนอย่างไรเนี่ยจิตอาสาเนี่ยชุ่ส่งนิสิตไปปีละสี่สิบรูปไปอยู่บนดอยไปช่วยชาวเขาปหลาดมากอยู่ทั้งปีกับชาวเขาคนเดียวมหาจุฬาให้เงินค่าตอบแทนไปเก็บไว้ไม่ใช่ พอที่การบัีไปเยี่ยมไปซื้อคอมพิวเตอร์ตอนนั้นเด็กไม่เคยเห็นคอมพิวเตอร์เลยชาวเขาเลยเป็นสิบปีมาเอาคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนตำรวจจวินชายแดนก็ถามฉันว่าไปสวดมนต์ชันเพนกับกระเหี่ยมเหมือนอะไรได้เงินเยอะี้ไม่ใช่ครับเงินที่มหาจุฬาให้ค่าสอบเทียนเดินละสองพันผมก็ไม่รู้จะไปชอปปิ้งที่ไหนครับเก็บไว้ผม เยอะขึ้นเยอะขึ้นผมเลยเด็กมันไม่เคยเห็นคอมพิวเตอร์ก็เลยซื้อคอมพิวเตอร์ให้เด็กมามุ่งดูกันใหญ่เลยแล้วชาวบ้านโหวตเป็นสิงเดียวกันว่าห้ามกลับให้เป็นเจ้าอาวาสสำนักยุนิสสำนักอาโสมนี้ต่อเขาทำได้ยังไงเวลาที่เราหมดกําลังใจในการทํางานเพื่อพระศาสานาไปเห็นลูกศิษย์แบบนี้โอ้ใจสิ่งจริงๆนะเกิดกําลังใจว่า ต้องกลับไปสอนให้ลูกศิษย์อย่างนี้มีมากๆขึ้นมีกําลังใจในการเป็นอาชีการบดีขึ้นมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนพวกท่านให้เป็นพรับนักเทศพอได้เห็นท่านไปเผยแผ่ในต่างประเทศไปทํางานไปเสียสลัดลูปสองลูกผมก็เกิดกําลังใจมันฟีดแบ็มาเออเราจะสร้างคนต่อไป พระศาสนาโลกนี้ต้องการจิตอาสาเพราะมันเป็นทุนทางสังคมพระพุทธศาสนาถ้าเราเผยแผ่อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยคนบรรลุธรรมเนี่ยถามว่าเขาไปทำอะไรเป็นจิตอาสาอย่างเดียวทไม่งั้นอยู่ไม่ได้ พอสำเร็จเป็นพระอระหันเนี่ยถามว่าท่านจะอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรกิเลสหมดแล้วท่านจำวัดบรณภาพเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเมื่อหมดกิเลสพระอระหันท่านอยู่เพื่อจิตอาสาเท่านั้น พระพุทธเจ้าอยู่อีกสี่สิบห้าปีเพื่อจิตอาศาเท่านั้นทรงพระอ า, หารหันหกสิบองค์เป็นประกาศศาสนาที่วิทยก ร, ย ก, รยกมาเนี่จระรักษภิกษุเวจาริกกันพระอุเชนารียายาพระอุเชนทริขาดยาเธอทั้งหลายจงจาริไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนเบรนันมากเพื่ออนุพร้อมเกศชาวโลกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อหมดกิเล ฉันจะอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นและการทําประโยชน์สุขให้แก่คนอื่นนั่นแหละมันเป็นความสุขของผู้ทําพระพุทธเจ้าจึงยอมลําบากเพื่อคนอื่นพอเราแก่เท่าขึ้นมากินก็ไม่ได้ตาก็ห้าฝาอยู่เพื่ออะไรเพื่อลูกเพื่อหลาด มันเป็นจิตอาส า, าไปโดยปริยายเมื่อเราปล่อยวางเพียงแต่ใครจะปล่อยวางเร็วลังวางช้าเท่านั้นเมื่ออยู่ในพระาศาสนามากขึ้นมากขึ้นมีตำแหน่งมีมีคนมาถวายสตังค์มาเอาไว้ทำอะไรพระคุณเจ้าถ้าเราไม่พัฒนาวัดเราถ้าเราไม่ไปช่วยชุมชนหกชุมชนกระดีจีน เงินกองเอาไว้ในวัดให้โจรมาปล้นหรือท่านการทำจิตอาสาต้องมีลักษณะสิสามประการเป็นหลักหนึ่งเป็นการเสนอตัวเหมือนอาสาสมัครทหารอาสาที่เขาสมัครนะถ้าท่านนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะ ใจอยากจะช่วยแต่ว่าภาวนาไปเรื่อยเขาไม่เรียกจิตอาสาจิตอาสาก็คือเขาไม่เรียกก็ขานไม่หวานก็ทําอย่างคุณเอกพันเนล้างห้องน้ําอ่ะนั่นคือตัวอย่างของจิตอาสาร100้อยปอร์เซ็นจิตอาสาอย่างอ่อนก็คือเรียกขานหวานทําอย่างพวกเรา แบบนี้เป็นเิตนาราเพราะสิ่งที่เราทำไม่ใช่เพื่อประโยชน์เราอันนี้เป็นเกณฑ์วัดอีกแต่ต้องเป็นประโยชน์คนอื่นและประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์คนอื่นประโยชน์ตนอัตตะประโยชน์คนอื่นปรัธาะเอาประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นรวมกันเรียกว่าประโยชน์ส่วนรวมอุปยถถ้าเมื่อใดเราทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยเสนอตัวเข้าไปท่านเป็นจิตอาสาแต่ถ้าท่านเสนอตัวเข้าไปทำเพราะว่าท่านหวัง ล, ลายเขาเรียกค่าจ้างค่าตอบแทนอยากได้นะ้าแม้มันจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมเขาก็ไม่เรียกว่าท่านมีจิตอาสาเพราะท่านหวังผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวแต่ถ้าท่านหวังผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมก็เรียกว่าจิตอาสา ทหารอาสารับใช้ชาติจนตัวตายเขาหวังประโยชน์แก่ประเทศชาติเขามีจิตอาสาเราเป็นนักรบกองทัพธทมอาสาไปเพื่อพระศาสนาไปทั่วโลกเราเป็นจิตอาสาแต่ถ้าท่านหวังเผยแพเ พ, เพื่ออยากจะได้ค่ากันเทศเขาอยากจะได้เป็นพระครูเจ้าคุณเร็วๆไม่เรียกว่าจิตอาสาฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาในพระศาสนาเนี่ย อย่างที่วิเออร์กรอนท่านพูดเราเป็นเด็น้อยอย่างผมเนี่ยแล้วได้ครูบาอาจารย์ดูแลเหมือนพ่อเหมือนแม่ดูแลฟูฟัฟกเราท่านไม่ได้หวังอะไรหรอกเพื่อให้เราเป็นสาสารณายาที่ดีหลวงพ่อปัญญาโปร่งฝังท่านจะคุณปัญญาณ ท, ทัคกุณีมาเพื่อสืบต่ออายุภาษาศาสนาไม่ใช่เพื่อเพื่อตหลวงพ่อปัญญานี่คือจิตอาสาของท่านประโยชน์สุขเพื่อคนอื่น พระบรมราชาชนกของรัชกาลที่เก้าที่ทำให้มีมหาวิเลยมหิดลเนะี่ยมหาวิลลยมหิดลเนี่ยเป็นตระกูลมหิดลคือพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่เก้าเป็นหมอ <c oughs> ไปเรียนจบมาจากที่ฮาวเวิ และได้สมรสกับพยาบาลคือสมเด็จยา่าพระโอรสองค์หนึ่งที่เป็นราชการการประสูติ์ที่โรงพย า, าบาลเมล์ออเบิร์นที่บอสตันได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนี้ด้วยสี่แยกในเมืองบอสตันเขาตั้งชื่อเป็นภูมิพลสขแควร์ สีแยกภูมิพลพระราชบิดาของรัชกาลที่เก้ากลับมาเมืองไทยมาเป็นหมออยู่สรหราชาอยากทำงานเพื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ตรวจใกล้ชิดไม่ได้หมอเนี่ยจะตรวจมันจะต้องมีฟังใช่ไหมที่หัวใจฟังดูอะไรต่างๆ แตกตัวคนไขยแต่เป็นเจ้ามันมีจารีตว่าห้ามแตกตัวสามัญชนโรงพยาบาลเขาไม่ให้ทำนะดิ้นรนไปอยู่เชียงใหม่เพื่อไปรักษาคนธรรมดาเนี่ยที่โรงพยาบาลแมคโครมิกโรงาบาลไทยเขาไม่ให้เจ้าเป็นหมอไปหาโรงพยาบาลฝรั่ง พระองค์ได้สอนแพทย์พยาบาลว่าจงถือประโยชน์ของคนอื่นเป็นที่หนึ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองแล้วลาบยศเกียร์เงินทองมันจะตามมาเองประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ส่วนรวม เ, เ, เป็นที่หนึ่งคนอื่น เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นปฏิบติทางของราชการทิ่เก่าเพื่อคนอื่นเราจะครองแผ่นดินโดยทําเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นพระดินจะเป็นดินเพื่อประโยชน์สุขของเราหรือครอบครัวของเราแล้วพระองค์ก็เป็นต้นแบบ ในจิตอาสารของบ้านเมืองสอนให้รู้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นโครงการในพระราชดาริที่ช่วยชาวบ้านนั่นคือการทํางานด้วยจิตอาสาไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแบบว่ารัฐบาลคิดโครงการในพราชดำริขึ้นมานสี่พันกว่าโครงการแลกกร้วพราะผมก็สาบานว่าทน่<ถ>นสี่สกว่าโครงการเ น, นี่น คิดเองแล้วส่วนดแต่คนอื่นทำเนี่ยเรือว่าที่ช่วยท่านแอีกเื่อว่ามีส่วนอท่านเองสิทธินเองคนอื่นยคิดช่วยทำต่อาลูกทธิ์ตเองที่ทาให้ในลงได้เงนี้ครับทำงานได้เงินที่เนี่มี่ทัานผู้เองทำก็จะลง 10% ที่มันไม่ใช่จรสารเลไปนำอยว่านท ป็นความอันพักตรงนั้นเลยและสังคมไทยเราอยู่ไม่ได้จนตรงนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องนี้หรอกรักการปัจจุบันในการสิเก็เอามาษาบอกเป็นจิตอาสาเสนอตัวเข้ามาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่หวังผลอตอบแทนเราทำดีด้วยหัวใจหวัวใจที่จะเป็นผู้ให้ โดยที่รางวัลวันนี้วิทยากรได้ ส, สนนไม่ใช่ทางวัตถุแต่เป็นทางจิตใจพอเราให้แล้วเรามีความสุขมันอยากจะให้ันอยากการอาศาอยากจะทำกิจกรรมจิตอาสานั้นมีส่อย่างสั่งขาววัตถุสี่นนะั่นแหละท่านทานคือการให้ ปิยา ว, าาวาจา ว, วาจาอ่อนหวานอัฏจริยาบาเพ็ญประโยชน์สามานัตตาวันตนพอดีเราอยากจะช่วยคนอื่นเราไปไม่ได้เราบริจาคเงินบริจาคสิ่งของเพื่อที่น้องชาวลาวเคลือนแต่เราไปไม่ได้เราบริจาคัปเกิดสนามีที่ภาคใต้ของไทยชาวพอกกงชาวใต้วันส่งของมาบริจาค เขาจิตอาสาขนาดไห น, นแต่ในรูปของการให้จะเป็นเงินทองจะเป็นสิ่งของได้เท่านั้นขาดปิยกวาจากให้กำลังใจไปเยี่ยมให้ไปอะไรต่างๆให้ทำในหน่ำนะรวมถึงพระทั้งหลายเนะี่ยให้ท ร, รมาทานเนี่ยมด้วยปิยกว่าจากที่มาลพูดอยู่เนี่ย อาสามาวิยากร์อาสามาให้ปิยาวาจาเป็นวาจาสุภาษิตพวกท่านทั้งหมดเนี่ยจะเขียนก็ได้เป็นหนังสือก็ได้จะพูดก็ได้เป็นประโยชน์ไพสารปิยาวาจาอัฏฐจริยาบำเพ็ญประโยชน์ไม่ได้ให้เป็นเงินเป็นทองไม่ได้เป็นคาพูด ช่วยแบกช่วยถามช่วยพายเรือตอนน้ำท่วกเมื่อเกิดสึนามิที่ภาคใต้นิสิตมหาจุฬามาอาสาอธิการบดีขออนุ ญ, ญาตไปช่วยที่หมู่บ้านน้ําเข็มตอนนั้นเพิ่งเกิดได้สี่วันทางรัฐบาลยังไม่ขยับตัวแต่นิสิตเราอยู่ไม่ได้เราเดือนร้อนใจเห็นคนดิความทุกข์เขามาอาสาในฐานะอธิการบดีเหมือนพ่อเขาเป็นห่วงแล้วท่านจะไปอยู่ยังไงจะไปคิดยังไงนะเขาก็ไม่มีจะใส่าบาตให้ท่าน น้ำท่าท่านจะไปทำยังไงเขาก็ไม่มีให้พอไปได้สิบวันเป็นห่วงพาผู้บริหารครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมลูกน้องทำอะ่ะอธิการอยู่ไม่ได้ไปสองรอบท่านพอไปเห็นว่าเขาละบากเขาหลังนี่ขนของนี่ขึ้นเครื่องบินสี่ใบพัดอะเอีร้อยสามสิบเอาไปพอไปแล้วนี่เรามีความสุขนะ สุขใจได้เห็นลูกน้องเราอะ่ะมิสิตเราอะ่ะเข้าไปอยู่กับชาวาบ้านศพกำลังงมงขึ้นจัดเหมืองเลี้ยกันเป็นตับเขาถ่ายรูปให้ดูพระไปบางสกุลให้หมูชาวบ้นชอบใจมากเราเดือดร้อนที้ท่านมาลูกเลี้ยอะไรกันเราเงินถวายเนะี่ยคงที่รอด <c oughs> ตัวเอง บ้านก็จะไม่มียังถวายพระอ้ท่านมาแต่กรุงเทพนะถวายข้าพระทาเอาไหมเอ า, เอามาทำเลยซื้ออาหารให้เด็กนักเรียนเีงแล้วท่านฉันน้ำที่ไหนให้ทหารปีนต้นมะพร้าวน้ำสะอาดหน่อยอย่างนี้เป็นต้นต่อมาได้ทราบว่าประเทศเพื่อนบ้านเจอพายุนากิสโอ้โหเผือร้อนมาก อาธิการอยู่ไม่ได้แล้วเคยช่วยตรงนี้เดี๋ยวต้องไปช่วยพมา่าใหม่รวบรวมปัจจัยได้บอกทางวิทยุโทรทัศน์แากขนบริจาคกันซื้อของขนขึ้นเครื่องไอ้สี่ร้อยสามหลังไปลงที่ย่างกุ้มถ้าประเทศอื่นนะอเมริกาเลส่งของเยอะกว่าเราเขาไม่ให้เข้าไปในทั้งพื้นที่นะรัฐบาลพม่าไม่ไป แต่พอเอ็มซีอยู่มาอาจุ拉มาต้อนรับปธานาธิการคนดีอย่างนี้รนะับมนตรีมาด้วยพาแเหวไปถึงพยาโพลโอ้โดนพายุควายยังตายอยู่ริมถนนไปถึงจุดเลยทีวีมาทำข่าออกทั้งวัน เ, เพราะทำไมมันดังลูกโง่หนึงมหาจุลังมานี่เจะของทีวี ไปเนี่ยไปทั่วโลกพูดวันนี้ไปทั่วโลกมันโดยชมทัขาหลายอยา่างหลายอย่างเขาจะมาทายใหม่เ <c oughs> สร็จ แ, แล้วเสร็จแล้วถึงได้รู้ท่านถ้าเป็นประเทศพุทธศาสนาไปช่วยเขาเนี่ยเขาอยากให้ไปมากๆเลยท่านเพราะมันเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาพระต่างประเทศไปเนี่ยทําให้คนมากเนี่ย ยิ่งเห็นคุณค่าของาศาสนาเดือดร้อนก็มาช่วยจิตอาสาของเราไปยืนยันคุณค่าของาศาสนาในประเทศเขาแต่ถ้าเป็นาศาสนาอื่นไปนะโบสถ์ในศีรษะหายไปาศาสนาอื่นไปช่วยถึงที่นะั้นไม่นานกลายเป็นโบสถ์ศาสนาอื่นรัฐบาลเข้ามาเขาไม่ยอมเพราะฉะนั้นหมายจะร้างให้นิดเดียวกับโฆษณาายุชาวพุทธดีแล้วก็ เขาไม่ได้พูดแต่เรารู้จิตอาสามันเป็น oh. การเผยแผ่ศาสนาที่ได้ผลมากๆเขาเรียกว่า action s p e a k s louder than words การกระทำมันดังกว่าคำพูดมันมีผล เราจะเทศจะสอนอยังไงก็ตามแต่ว่าถ้าเราไม่กระทำท่านเลือกิดอาสามันไม่ดังไม่ดังพอที่คนเขาจะได้ยินและทำตามเพราะฉะนั้นในชีวิตของพวกเราวัดประยชน์เป็นวัดนักเลืยแผนจริงๆมันคืองานจิตอาสาทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะใช้ปิยาวาจาอัฏฐเจริญหรือแม้กระทั่งสมานัต่าๆผมเห็นเยอะนะพวกเราเนี่ โยมป่วยไปเยี่ยมไข้พอตายรับมาตั้งสูตรวัประยุ น, นลดค่าเมนให้ด้วยเราเรียกสาธาณสมครอนี่คือสมานะตาตาร่วมสุขร่วมทุกมีทุกร่วมทุกมีกมกมสุกร่วมเสพที่ที่ตอนสึนามิภาคใต้อ่ะพอเราเอาของไปช่วย แล้วเข้าไปในวัดย่านยาวอ่ะที่คุณหมอพอรทิพย์ไปชนะสูตรเซุูลานวานัดนี่สร้างความเสมอภาคทั้งพุทธคริสบุซาริไม่อยู่ในวัดเข้าขั้นหมดตายแล้วมาหมดทันหมดหมอพอรทิพย์ก็ชนสูตรเห็นเราไปดีใจเสร็จแล้วเราก็ไปแจกของพวกชาวเลเขาเรียกหมอแก่ โอ้พอพระมานี่ดีใจเราก็เพราะเขายังไม่มีาศาสนาแจกของยังไม่พอเผยแผ่ด้วยเอาพระเครื่องมันไปโยนแขวนให้ถือเพราะน้าดีใจนะพอไปครั้งที่สองเปลี่ยนเป็นมากานเขนซะแล้วเราต้องไปแจกอีกรอบสวนพระอีกรอบเช่นเดียวกับ หลายๆแห่งแต่เมื่อทำแล้วเนี่ยถามว่าผู้ทาพูดลาบากลำอกหลุนขึ้นดอยเนี่ยอาชิการบดีไปเยี่ยมพระบดินทาสาเนี่ยไปไม่ใช่เพราะว่าเสียสละอย่างเดียวแต่ว่ารักน้ำใจของพระบดิตร์เขาไปอยู่ทั้งปเีเราก็ไปเยี่ยมบางแห่งบางที่นะท่านนะมันกันดาลเหลือเกินระยะทางไม่ถึงร้อยกิโลนะ แม่เสเรียงเนี่ยไปถึงชายแดนพม่าแม่น้ำสาะระวินวิ่งไปตามลำทานเก้าสิบกิโลใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงนั่งไปจะหลับๆเนี่ยไม่ทันได้หลับเราท่านมันตกหลุมหัวกัดรุ่มชนข้างบนเน่ยกลับมาหัวโนเลยท่านแต่เรานึกถึงวันนี้จิตเราละมาดไม่ทุกไปให้กำลังใจเขาด้วยและไปชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเราก็จะ ทำงานร่วมกันผู้ร่วมอุดมการเดียวกันหลวงพอ่อปัญญาธาจนวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านเป็นกำลังใจให้ในเรื่องของจิตอาสาความเสียสละจะป่วยจะอะไรยังไงจะช่วยสร้างโบสถ์โบสถ์หลน้ำโบสถ์ไม่เสร็จไม่ตายแล้วคนก็ถามว่าหลวงพ่อท่าน เกสิบกว่าแห้มหาจุฬาไปใช้ท่านทำไมต่ออายุให้ท่านลราบอกไม่รู้หรือคนอายุยืนเพราะอะไรอิธิบาทีฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาคนเราเนี่ยถ้ามันไม่มีเป้าหมายไม่รู้อยู่เพื่ออะไรเนี่ยตายดีกว่าถ้าป่วยหลวงพ่อปัญญาเนี่งไงก็คิดถึงโบสถ์โบสถ์ไม่เสร็จไม่ตายนี่ฉันทะฉันทะวิริยะเป็นยังไง ก่อนจะสร้างโบทไม่มีเสียงพอจะสร้างโบ ส, สโบขึ้นมาบอกอธิการช่วยไปบอกกมประชาพันธ์ให้ออกวิทย์ออกทีวีออกยุ่งหน่อยนี่จะพูดเรือ่องนี้เราก็ติดต่อให้เอา MCU ซไปถ่ายประจำเพราเทไปมันเสียงมาท่านวิรยิยะมาแล้วแล้วจิตตักเป็ไงถอดกระเขินถอดประปาได้มาพรักอุปถมัมแอบดูพระ ท, ทีอุปถมัม หลวงพ่อตื่นมาตีสามที่สทำไม๊เปิดซองจดเขียนอนุโมทนาบัตรเองใช้สมองท่านวิมังสาจิตตักตวิมังสาพอเงินครบมรณภาพเลยสร้างเสร็จแล้วกว่าจะเสร็จหมดจะอว่าวาดัดชนประทานไปสองรูปผมนี้ไม่เกี่ยว มีความสุขท่านจากการเป็นผู้ให้วิทยากรจะบอกว่าจิตที่คิดจะให้สบายว่าจิตที่คิดจะรับจริงๆท่นเขาไม่ได้หวังอะไรนอกจากความสุขมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย b ริ t ิ s โคล l ม m บียนที่แคนาดาเอาเงินไปแจกคนแปลกหน้าให้นักวิจัยไปคนละยี่สิบดอลลาร์ยี่สิบเหรียญแบ่งเป็นสองกลุ่ม ตรงหนึ่งแจกคนแปลกหน้าหือเราเดินเจ็เจอใครมาในยี่สิบเหรียญไม่น้อยนะห้าสี่เท่าไหร่สามยี<ะ>่สิบเหรียญหกร้อยเหรียญเอ้ยหกร้อยบาทประมาณอาตีเ่าห้าร้อยบาทบวกลงยูยูคนเอาเงินมาให้ห้าร้อยบาทเนี่ยแล้วบอกว่าไงกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าเอาไปใช้เพื่อตัวเองกินก็ได้ซื้อของก็ได้ แล้วก็จดไว้มีขายบ้างมีเบอร์โทรศัพท์แรงให้เลยอีกกลมหนึ่งบอกให้เอาไปใช้เพื่อคนอื่นเอาไปซื้อของให้ใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่เพื่อตัวเองเขาทําทั่วโลกเลยอฟริกาเขาก็ทํำผลออกมาทั้งผู้ที่ตอบว่าใช้เพื่อคนอื่นเอาเงินที่ได้รฟรีๆมาใช้เพื่อคนอื่นเนี่ยมีความสุขมากกว่าคนที่เอาไปใช้เพื่อตัวเอง เวลาได้เงินได้ถอง ม, มานี่เราคิดถึงตัวเองบ้างไหมส่วนมากจะนึกถึงคนอื่นมีโบนัสขึ้นมาเนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรเอาไปเที่ยวไป่ใช่มันมันไม่ให้ความสุขเท่ากับเอาไปแจกลูกแจกหลานแตะเอียเป็นอะไรหรือไปทําบุญรุประยูนมันมีความสุขมากกว่านะไม่เชื่อลองทํา เท่านั้นยังไม่พอฮะเขาทดลององีกมีห่อของขวัญข้างในเป็นขนมเป็นช็อกโกแลตอะไรต่างราคา 20-30 เหรียญเจอคนแปลกหน้าบอกช่วยซื้อหน่อยให้ซื้อให้จ่ายสตางค์ซื้อไม่แจกนะช่วยซื้อหน่อยมีสองกลุ่มอีกกลุ่มแรกบอกซื้อ้วคุณไปกินเองนะกลุ่มที่สองคุณซื้อนะเ๋ยวเราจะไปแจกเด็ก ที่กำลังป่วยอยู่ในโรงพยาบาลมันมีช็อกโกแลตมีขนมเนี่ยกลุ่มที่สองนี่บอกไะซื้อแล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้เด็กที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลกลุ่มที่สองคือพอพอมาทาแบบสอบถามทีหลังแล้วกลุ่มที่สองไอ้กลุ่มที่ซื้อมาตัวเองไม่ค่อยมีความสุขแต่เอาไปแจกเพื่อคนอื่นเนี่ยมีความสุขยินดีทามาก พระคุณเจ้าทั้งหลายสิ่งที่ผมทำมาเนี่ยเหมือนกลุ่มที่สองเป็นสะพานให้ให้โยมเขาได้ทำเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมแล้วผู้ทำเขาเชื่อว่าผมที่ทำจริงไม่ได้เข้าพกเข้าหอไม่ได้เก็บไว้เองเพราะฉะนั้นพอเขาให้ผมเนี่ยเขามีความสุขแล้วท่านผมบอกว่าผมจะไปช่วยฆ่าชาวเขา สร้างวัดห้วยบงบนดอยซึ่งไม่เคยมีวัดแล้วสร้างอาคารศูนย์ประสานงานพระบัณฑิตท่าสาใช้เงินหกล้านบาทฮะหกล้านบาท น, นี่ผมใช้งบประมาณมหาจุฬาตอนไม่ไหนส่วนตัวผมก็มีผมประกาศผมจะสร้างให้สามปีนะท่านสาธิตผมประกาศผมจะนํากรถินเนี่ยให้ญาติโยมเนี่ยนํากระถินไปทอดสามปีปีละสองล้าน เศษฐีในกรุงเทพนี่แหละท่านเฮกันไปแนะ่นอนกลางดินกินอังสายโดนผีหลอกบ้างอะไรบ้างมาบ่นกับผมกินข้าวเบิกเนะืข้าวกะเหรียญนะดำๆเนี่ยนะมีหัวไก่ด้วยเนะตาปนกินไม่ลงแต่ก็ตามไปทุกปีมีความสุขที่เป็นผู้ให้สามปีเสร็จเรียบร้อยอาคารพระพบบรหมบดินไปอยู่บนดอยตั้งแต่เสร็จผมยังไม่ได้ไปดู แต่ผมดูบทความในมติชนขึ้นติดตามงานพระบดินทร์ษาเ ม, เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยรายงานว่าได้ขึ้นไปบนลอยไปดูงิ้พระบดินทรและไปพักที่วัดห้วยมองศาารีพระพรหมบดินทรตัวเล็กนิดเดียวท่านแต่ผมก็สุขใจแล้ะ <c oughs> เขาไปอาคารยังไม่ผังเอาสื่อบนชนไปดูด้วยพูดให้พวกที่ไปเนี่ยไ ด, ได้รับทราบ ที่ทั้งกลุ่มนี้รู้ขึ้นมามาันอ้อนจะไปบ้างยังหาอาคารสร้างไม่ได้อยากจะไปบริจาคไปสร้างยังนึกไม่ออกจะสร้างอะไรลำบากลำบนก็ไปท่านเคล็ดลับอยู่ตำไหนผมจะบอกพวกท่านแหละหนึ่งสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์ภัยศาลเวลาผ ม, ผมสร้างมหาจุฬาเนี่ยนะ ผมไม่ได้สร้างวัตถุนทนนั้นผมสร้างมหาวิเลยให้ความรู้เก่งคนผมบอกกระเขาอ่ะโยมเอางี้มันมีประสบการณ์ตั้งแต่ผมเป็นคณะบดีบันทิตวิลัยเมื่อปีสองัส า, าสิเอ็เปิดปริญญาโทมานะครั้งแรกในมหาจุฬารัฐบาทไม่รับรอง ปริญญาเถื่อน <c oughs> เปิดแล้วก็ไม่มีไม่มีคนเรียนอะ่ะมหาวิทยาลัยมหาจรายรยาธิการบดีเขาก็เลยให้ผมเนี่ยเป็นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยอยู่สองปีเท่านั้นนึกขึ้นเป็นคณะบดีมันมีที่ไหนเพราะมันไม่มีใครเรียนท่าน <c oughs> อยากเป็นคณะพุทธโอ้ยเต็มเพียบหมดคณะขา้าูอะไรมีคณะบดีหมดเลยท่าน ว่างอยู่บัณฑิตไม่อะไรไม่มีใครเป็นเพราะมันปริญญาเตือนปริญญาโทปริญญาตรีรับรองแล้วผมก็ไปถามอธิการา่าพอตั้งผมแล้วผมก็เดินไปเดินมาไม่มีงานทําอยากเปิดอธิการบอกไม่มีเงินเปิดไม่ได้คนก็ไม่เรียนนี่ทําไงดีผมก็เลยลับไปเทศที่ยเมริกาที่วัดธรรมารามชิคาโก เทศไปเรื่อยๆให้คนอยากฟังแล้วก็นัดว่าวันนี้จะเทศกันพิเศษขอญาตโยมบริจาคไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่จะเอาไปสร้างไปเปิดบรรันทิตวิไลที่มหาจุฬาผมพูดว่าไ้โยมติดโซเชียกันจะไปเปิดบรรันฑิตวิไลเพื่ออบรมทักเนรให้จบปริญญาโท แล้วพูดภาษาอังกฤษเก่งเหมือนอาตมา น, นี่แหละโยมก็อยากได้พระพูดภาษากรีกเก่งแบบนี้สิบริจาคกง น, นใหญ่แล้วเป็นแสนกลับมาไปบอกอธิการบดีจอมนักขุณคนครผมมีเงินะ่ะจะเปิดปริญญาโทไหมถ้าเปิดผมจะถวายถ้าไม่เปิดผมจะไปถวายวัดประยุนปรากฏจโชคร้ายของวัดประยุน<ๆ>เขาให้เปิดปริญญาโทแต่จนบันนี้ก็ยังหาพูดภาษาอังกฤษเก่งไม่อได้ไ เหลืไมกล้าไปเที่อีกรอบนี่คือรุ่นไหนรุ่นหนึ่งนี่นรุ่นหนึ่งทหารเวยกล้าตายรุ่นหนึง่งปริญญาโทมหาเจลฬาที่ตรงนี้อีกรูปหนึ่งรุ่นหนึ่งยังอยู่อาธิการบดีมหาเจลฬาเจ้าคุณสมจินทร์เรื่องนั้นไอ้เงินไม่กี่บาทเนี่ยได้สร้างระดับนั้นเลยท่านเป็นศาสตาจารย์นี่เจ้าวัดชนประธน ผมไ ม, ไม่ได้เอาเงินมาเนี่ยเพื่อจะมาสร้างอาคงณอาทานจากสร้างบุคลากรองค์ความรู้นในพระาศาสนาอันนี้ผมได้ไอเดียจากที่นี่มาผมผมเป็นเลขนุการไปเขบอกว่าโยมนะเพื่อสร้างมหาจุฬานะแล้วจะผลิตพระอีแหละเอาเอาจนนี้ไปจดขายเอาพระให้เกิมีความรู้แล้วไปช่วยเผยแพ่ศาสนาโอโ้มันสร้างยากสร้างเย็นขึ้นมานเป็นพันล้าน พอมาถึงจุดหนึ่งหมดกำลังใจแล้วหลวงพ่อบัญญาณนะทกมาต่อให้หน่อยให้ให้มีกำลังใจเออเดี๋ยวผมจะช่วยท่านโอ้ยเราดีใจมากไปหาท่านเดี๋ยวจะช่วยถามว่าช่วยอะไรพ่อช่วยออกความคิดให้เอโอ้ท่านไม่ใช่ธรรมดานะช่วยออกความคิดให้อุตส่าห์ที่ว่าปธิการพดีไปหา <c oughs> ผมก็ออกความคิดให้ท่านไปทอดพระปาสนามหลวงนั่นแหละ พูดคุยหรือว่จะได้ตังเร็วต้องบากหน้าไปทอดเข้าไปในสนามหลวงแล้วเราก็จะอยากจะไปทอดเฉยๆสิเอาแฟนขับหลวงพ่อมาฟังหลวงพ่อด้วยโหนเฮกันบางไม่ได้ฟังหลวงพ่อหลายปีเอาคืนบ้างให้หลวงพ่อเท่แล้วหลวงพ่อก็ยู่แล้วก็ทําสแตนโพเดียมให้หลวงพ่อท่านยืนพูดเนี่ยกล่าวว่าหลวงพ่อเนี่ยเสียไม่มี คงจะพูดเพื่ค่5น า, า, า, าทีแล้วอธิกาบรบดีรอเสียงพูดแทนเราก็ไปยืนอยู่ข้างหลังหลวพ่อพอเห็นคนมาเป็นพันก็ฮึดมีกำลังใจท่านชั่วโมงหนึ่งไม่รู้เสียงมาจากไหนหลังจากนั้นเสียงฟื้นเลยยนะ <Okay. S 1> ก็เราก็สร้างมาพอสร้างมาถึงจุดหนึ่งพระพรมบรัญิตประกาศผ่านทีวีโยม สร้างมาเกิดครึ่งทางนะใต้เสร็จแล้วใครยังไม่ทำบุญให้รีบทำเสียมิฉะนั้นจะช้าเกินกาลเพราะสร้างเสร็จแล้วอาตมาจะไม่สร้างอีกจะเทศรูกเดียวโยก็เลยแหกันมาท่นผมไม่ได้สร้างเพื่อสร้างสร้างเพื่อเป็นเวทีสร้างคนทำไมหลวงพ่อปัญญาสร้างวัดให้มหาจระบอก พระทั่วโลกจะได้มาอยู่มหาจุฬาเขาขื้นแผ่ทั่วโลกสร้างคนตึกมีไว้เป็นทางนําไปสู่การสร้างคนเพราะฉะนั้นจึงเห็นเขาสร้างมหาจุฬาเสร็จอธิการบุรีไม่ทำอะไรล้างมือในอ่านเขาทำไปแล้วใช้ตึกให้มันคุ้มกันแล้วกันทุกวันนี้เขาไม่ต้อยู่ไปก็ไม่ต้จะทําอะไรแล้วนะสร้างก็มาเห็นสร้างเป็นอาธิการบดีสอนเขาก็มาเห็นสอน ออกมายังได้สอนเยอะกว่าเทสในอยานสอนเนี่ยวันนี้พูดเกินเวลาเนี่ยพราะอยากเทสเนี่ยผมรู้เดี๋ยวท่านรอรับกันเทสกันแล้วกันผมไปจบยัง่ายหรตื่นแล้วเมื่อสิ่งที่ผมจะบอกกับทุ้ท่านกันคือว่า ท่านจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยา่าไปติดอยู่แค่วัตถุสร้างเต็นี้เพื่ออะไรเขาทำให้อย่างดีนะท่านบริษัทไทยเว็บริษัทปุน่นถามปนังเพราะสร้างมาแล้วไม่ใช่ให้แมวนอนแต่เป็นที่เผยแผ่เป็นพิเศษพักทั่วประเทศจะมาใช้ประโยชน์น้า น, นักเทศมาเรียนกันอยูน่นี่ยเขาก็ทำให้อย่างดีทนะีท่าน บอกว่าเดี๋ยวจะใช้งานแรกเลยเนี่ยติดลำโพงให้หน่อยก็ี่ยก็ติดให้ถ้าลองบอกว่าสร้างเสร็จแล้วพอแล่นลำโพงไม่มาแล้วท่านเครื่องเสียงก็ไม่มามันจะต้องมีวัตถุประสงค์สรุปแล้วมีวิสัยทัศน์ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมีอย่าไปคิดเรื่องส่วนตนเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่สองคนมีความสุขเพราะได้ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นถ้าท่านทํา ให้คนสามารถเชื่อได้ว่าเมื่อเขาบริจาคผ่านมือท่านแล้วมันถึงผู้อื่นมันถึงสังคมจริงๆมีเท่าไรเขาก็ให้ไอ้ที่เราไปบอกแล้วเขาไม่ให้ไม่ทาเนี่ยเพราะเขาไม่เชื่อว่ามันไปถึงท่านไม่ได้ไม่แสดงว่าท่านซื่อศัตย์สุจริตไม่โกง ถ้ามีอะไรอย่างไรนะท่านเหมือนกับไตรสเนลรับมานะส่งให้ถึงใครก็อยากฝากครับแล้วเขามีเหมือนกับที่เขาซื้อชโคโคะอะ็อกโกแลตอ่ะบอกจะไปช่วยเด็กที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาเชื่อแล้วเขาก็มีความสุขจัดงานเนี่ยนะครับต่างประเทศมาบริจาคไม่ต้องเอามาให้ผมอยากจะไปถวายทุนเข้าไป เป็นเรื่องอาหารไปไม่ต้องธรรมดาเดี๋ยวจะไปให้คนที่มาาจรฬาไปไปก็ทําเองเลยขึ้นดอยไปีนน้แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยท่านต้องทำมานานหลวงพ่อปัญญาลัทักเนี่ยอยู่เฉยๆคนก็มาให้เพราะว่าท่านทำเพื่อคนอื่นท่านทํามานานหลวงพ่อคูณนั่งอยู่เฉยๆเขาก็มาเพราะหลวงพ่อคูไม่ได้เอาเพื่อตัวเองถ้ามาถึงจุดนี้เนี่ยนะท่ มันมาเองอที่วัดกติมค น, น, นแปลกและก็อนอย่างที่ลงพอ่อสเล็จอาสภาบอกเงิน <c oughs> มีแต่คนใช้เงินไม่มีมันเป็นสัญญาณผมได้จากการจัดงานวิสาขบูชาโลก <c oughs> ทำมาสิบห้าสิบหกปีคนก็ยังมาประเทศไทยจักอะไร ก็ อ, อะไรเราไม่ได้จับเพื่อตัวเราเองเราเพื่อศาสนาเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลให้มาใายให้มามาหาจุฬาอย่าไปงุกงิบไปทําเงินใช้เงินผิดประเภทไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใช้เพื่อวิสาขาโลกอย่างเดียวตรงไปตรงมาเราบอกว่าจะทำพระใจไปลงฉบับสาคู เอาคนทั่วโลกมาช่วยกันทําเราบอกว่าเมื่อท่านทําเราจ่ายค่าเครื่องบินให้ยังไม่เสียดายใช่พราะเพราะทําอย่างนี้เราทําเสร็จเจ็ดนปะีได้พะาะไตรปิฎกฐานปริตรแปลภาษาไทยและกําลังขอเขาขอเนี่ยแต่ภาษาอื่นอีกสิบภาษาประเทศอื่นลองทําแล้วไม่ทําไม่ได้ท่านไม่มีใครช่วยพระไตปิดกสากลไม่มี <laughs> เพราะอะไรคือ เขาไม่เชื่อในสุดจริตถ้าเราไปช่วยเขาและหมอนี้ไปพิมพ์ขายเพื่อการค้าเอาหน้าไม่ใช่เพื่อเอผยแพร่เท่ากับมารับใช้ฟรี free, ๆเขาไม่เชื่อประเทศอื่นแม้จะมีเงิน <c oughs> แต่พอมหาจราพรงมบดิตยินดีช่วยลงแรงลงสมองประชุมกันสัมมนากันไปลูกกี่รอบ <c oughs> เพราะในที่สุดแล้วมันเป็นประโยชน์ ต่อโลกพระใจเป็นรงฉบับนี้ซึ่งมันทำงานด้วยอุรมณ์การนั้นเพราะหลายคนเนี่ยมันไม่ผ่านตรงนี้พอมีเงินมีทอง ม, มันเสียดายพอเสียดายมันก็จบทันท่านไม่ต้องมีมากเขแบ่งเปอร์เซ็นต์เขาไปทำไปสร้างแล้วท่านจะเห็นเองว่าการเป็นผู้ให้มันใหค้ความสุขอย่างไรอย่างที่ผม ประสบและผมทามาถึงทาได้อย่างที่ท่านเจคุณปัญญาณทัพมูลีทําอย่างที่ท่านเจคุณประเทศปฏิภาณกวีทำที่ท่านเป็นวิทยกรมาเล่าอย่างที่คุณเอกพันบริลิศมูลีที่ร่วมกันอยู่คุณบินบริลิศที่ชายทำเขาไม่มีเงินแต่เขาว่ามีความสุขจากการเป็นผู้ให้คุณออนูมามีบริษัทมีอะไรจ่างการที่เขาให้เขามีความสุขบริษัทใหญ่ๆเขาจึง เจียดก็ประมาณส่วนหนึ่งเพื่อการจิตอาสาตอบแทนสังคมเขาเรียก CSR corporate social responsibility รับผิดชอบต่อสังคมเศรษฐีมีเงินอย่างนี้หรือที่ไหนในอังกฤในเมียนมาเขาจะมี CSR ตอบแทนสังคมบริษัทที่มาสร้างนี่ตั้งมบนิธิทไทยก็ยเลยตั้งบนิธิ สิริวัฒนภักดีแล้วมาสร้างอาคารนี้ก็ชื่อว่าสิริธรรมพักดีเป็นนามพระยถ า, านของสริประเทศนี่ก็คือตัวอย่างของจิตอศาสาและให้เมื่อไรก็มีความสุขเมื่อนั้นท่านไม่ต้องให้เป็นเงินเป็นทองก็ได้ให้เป็นด้วยช่วยแบกช่วยหามช่วยจับช่วยทําเป็นอนถาถรรพจริยาก็ได้ให้ด้วยปิยวาจาก็ได้อย่างวันนี้นี่ท่านให้อะไรกันผมรู้สมานนันกตา่า มาให้เห็นหน้ากันมีทุกรวมทุกมีฉันกว่าฉันไม่มีก็ไม่ชั้ น, นมันก็แค่นี้หละนี่ก็คือการแบ่งปันแล้วตัวท่านทั้งตัวผมก็มีความสุขเพราะฉะนั้นมันก็แฮปปี้เบอร์เดย์ครับขอบคุณครับที่อยู่จนถึงเวลานี้ครับในที่สุดนี้ขออำนาจแห่งคุณภระีะรัตนทรัยและบุญบุญสอนที่ทุกรูปทุกขันทุกคนได้คําเพ็ร่วมกันในวันนี้ ขอจมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชาเป็นพลวะปัจัยเป็นปฏิพรดย้อนสนองให้ทุกรูปทุกท่านทุกคนจงเจริญงอกงามไพภูมิขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าประสบความเจริญงอกงามไพบูนโดยปราศจากทุกส่งโรคภัยอุปัสรนตรายทั้นปวงประสงค์จำดวงหมายสินน่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พันสําเร็จ พันสำเร็จพันสำเร็จสมมโนรถุ่งมากปราถนาทุกประการตลอดกาลละนานเทืนาาาา